ลัครูบาอาจารย์เรียกชนาธิปขออ น, นุญาตแสดงตามให้ดูับพิจารณาตอนอลบทั้งหลายอันนี้เป็นโอกาสดีอาตมาเขใช้คำว่าหลวงพ่อแล้วนน่าฟังใกล้ชิดกันหน่อยอาตมาโมาตมาฟังแลางปนเต้นวันนี้เป็นโอกาสดีอย่อองอ า, างนนานะที่งพ่อในมเชียงใหม่อยากจะเอาธรรมะมาคืนให้คนเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ยี่สิบกว่าปี เราฟัเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์ทั้งเชียงใหม่นี่จงค ร, รูบาอาจารย์อยู่หลายโ ง, โงที่เป็นหลักเลยคือหลวงปู่สิงห์นีท่ทั้งสิ้นมาหลายปีแล้วพวกเราบางคนไม่รู้จักแหละตอน้ต้อขึ้นมาเชียงใหม่ทุก ป, ปีเรียนธรรมะกับท่านมงค์หนก็ท่านอาจารย์บุญจันทร์หรือทรรมศาสตร์เ่อก็อาจารย์ตออินพสันินธรรมมาเรียนจากครูบาอาจารย์ทางนี้หลายโมง เดิมเรเรียนอาจารคาารูบาอาจารย์ี่าลทั้งภาษาเดียวกันภาษาครูคบาอาจารย์ป่กาการที่เราเข้เรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์จนวนมากเรียเยอะครูบาอาจารย์หลายสิบองค์สมัยรุ่นตะเวนครูบาอาจารย์ที่ดีๆองค์ไหนมีชื่อเสียงท้นมาไม่ใช่ไตก็ชื่อเสียงเลยเพาว่าได้ข่าวว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเทีย่ยวตะเวนไปหา ไม่เฉพาะในสายวัดป่าสายอื่นๆก็ไปหาสายโลงกงพ่อเทียนก็วงพเทียนอะไรหลวงพ่อก็เข้าไปสายท่านแฟนารย์พุทธาดก็เข้าไปการที่ได้เที่ยวศึกษาธรรมะหลายๆที่ได้พบความจริงข้อนั่นก็คือครูอาจารย์ที่ท่านดีท่านพิเศษจริงๆนท่านสอนธรรมะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนเป็นเรื่องเดียวกันโดยสํานวนโมหานโดยศิลปะในการสอน จะแตก ต, ต่างกันสำนวนโมหานภาษาองคแต่ละองค์แต่ละองค์จะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางองค์ท่านสอนบอว่าภบผูร้รู้ทำลายผู้รู้ภพจิตทำลายจิต จ, ต จ, ต จ, ตจตนถึงความบริสนนุทธิ์อห่งแท้จริงนี่หลวงปู่ดุสฎีเนี่ยเอกลาภโลวงูล่าที่ปู่เจ้าก็นทนนนก็สอนดีนะนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ถ้าผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือน แต่โดยภาษานะไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักคําเดียวแต่โดยสัพทาว่รคำไม่นานเดียวันะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ว่าองค์ไหนก็ตามที่สอนนะเขาจะย้าลงมาที่ความมีสติไม่มีองค์ไหนเลยที่สอนบอกว่าอย่ามีสติทั้งหมดต้องมีสติไม่ว่าจะฝึก ด, ด้วยวิธีใดทั้งสิน้นจะฝึกในแนวพุโทโธแนวคลองยุคแนวทำจังหวะอย่างหลวงพ่เทียน รูย่ีอาบทศีอะไรก็ตามเกิดไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันหมดเลยคือความมีสติก็เราได้ยินคำว่าสติมานานนะบางทีตามถนอนก็เห็นมีป้ายมีค้าเอากินสุราดื่มสุราขาดสตินั่นสติโลกโลกหรอกคำว่าสติสติเราได้ยินมาจนคุ้นเคยความจริงคนในโลกไม่มีสติหรอกสติในความหมาย ของ น, าานักปฏิบัติเลยนะคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจตัวเองก็เ ร, เรารู้สึกไหมว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเรารู้สึกกายรู้สึกใจของตั ว, ตวเองเนี้น้อยที่สุดเราลืมกายลืมใจตัวเองนะีบ่อยที่สุดเราดืืมนานด้วยเคแก่ตั้งแต่ตื่นนอนนะก็ตื่นนอ น, น, นเราก็เริ่มคิดแล้วอย่างเราเป็นข้าราชการนะ ตื่นนอนมาแล้วนึกได้ว่าวันนี้วันจนันทร์ใจอาจจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องอื่นนะแต่ใจเกิดความขี้เกียจเนี่ยมองไม่เห็นไม่ได้ดูนะวันอังคารเนี่ยขี้เกียจมากเลยวันพุธเนี่ยสุดเซ็งวันพฤหัสเนะี้ยเริ่มมีความสุขเนี่ยก็คล้าสุโอบดีปาเริ่มยินนะ้มละวันศุกร์นะมีความสุขมากตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันศุกร์หรือว่าเป็นรองวิ่งเนนะี่ยโอ้ยมีความสุขมากเลย เราก็จะคิดเลยว่าวันเสาร์วัอาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวไหนหรือวันนี้วันศุกร์เนี่ยเรื่องงานแล้วเรื่องอะไรไปที่ไหนกลาวันจะชวนเพื่อนไปกินข้าวที่ไหนตอนบ่ายจะได้หนีงานอน่องจาใจเราจะคอคิดถึงเรื่องสิ่งอื่นๆไปเรื่อยๆ เ, เราจะลืมตัวเองแตลอดเวลาเลยในโลกนี้ไม่มีความรู้สึกตัวในโลกมีแต่ปคนหลงลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรามีร่างกายแต่เราไม่เคยคิดถึงมัน เรามีจิตใจกั่เราไม่เคยคิดถึงมันอันนี้เรียกว่าขาดสติเราลองรับใจของเราดูจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมว่าวันห น, นึ่งนยเรารู้สึกการู้สึกใจน้อยเก็นไีเราวม่จะรู้เรื่องอื่นนะรู้สึกงอื่นความสนใจของเรานี่จะออกนอกตลอดเวลาสนใจไปหมดเลยมีข่าวสารบ่าเมืองมีข่าวนอกประเทศนะจนไปถึงเขาเขาไปดูดาวตามตัดตาแล้วนะเรารู้ไปหมดนะ แต่เราไม่สนใจที่จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นตัวเองตัวนี้เป็นความอาภักที่สุดเลยของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายคือมันไม่รู้จักตัวเองถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราค่อยมีสติขึ้นมาเราท้ทุรู้สึกตัวเองให้ได้อย่าใจ่อยใครรู้จักคำว่าใจร่อยมันมีไหมไม่มีใครรู้จักเลย อ้าวใครไม่รู้จักก็ไม่ใจลอยบ่าเนี่ยอันนี้แป็นมัธนทนะปนทํามไยนะไม่ยกเว้นในควาเป็นจริงนะพวกเราใจลอยทั้งวันเวลาที่เราใจลอยแล้วเราไปคิดเรื่องโน้นเรามีคิดเรื่องนี้เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาใจลอยเราอยู่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วลืมกายลืมใจเรอกเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจก็ื่อไรเรียกขาดสติวตเพราะงั้นทั้งหวาดขาดสติ จะเป็นยังไงที่เราต้องมีสติถ้าเราอยากคนทุกข์จริงๆแล้วเราต้องมีสติถ้าอยากได้มาผลนิพพานจริงๆต้องมีสติถ้าขาดสติซะอย่างเดียวเนี่ยอย่ามาพูดเลยเรื่องจะเอามาผลนิพพานสวดมวนต์ปาๆแล้วทําบุญใจปาตไปแล้วะอธิษฐานแล้วนิพพานปัจโยตุไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้มาผลนิพพานจริงๆต้องเจริญสติให้ได้ การที่เราจะเจริญสตินะต้องคายรู้สึกกาย ร, รู้สึกใจต่อไปนแะรู้สึกเพว่าวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือความเป็นไตรลักษให้ เ, ค, เคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ความเพมเยอะแล้วไม่เคยได้ยินนิยมพักหรอกนะไตรลักษณก็คือลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือกายใจเรารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่ ความจริงของมานคือไม่เที่ยงความจริงของมันคือทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้ตลอดอย่างร่างกายเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไปนี่คือความจริงความจริงของจิตใจหรือของร่างกายอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาแต่ความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกิของวัตทุกคือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดตนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นดับเกิดว่ดับทั้งสิ้น ที่เกิดระดับแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนฐานบริวออนัตตาเนี่ยคือความจริงถ้าเราหัดหัดนานรู้สึกอยู่ที่ตัวเองเมื่าเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกาย ใ, ใจ็ในใจนีพูดภาษาไทยง่ายๆพูดภาษาบาลีคือรูประนามเรีนรู้รูปธรรมธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเรา ถ้ามันไม่มีตัวเราใครจะทุกข์ล่ะลูปประทมมนานนามธรรมมันทุกข์นั้นตัวอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีเราก็เป็นทุกข์ไม่ต้องภาวนาเนี่ยนะาการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางนั้นเราจะถอดทอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสุดท้ายกลายทางที่แท้จริงเลยก็คือเราจะถอดถอนความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเห็นว่าเป็นตัวเรา ถ้าอะไรเราถอดถอนความยึดถือในการในใจได้มันจะไม่ยึดการ ย, ยึดใจมันจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดแล้วก็คือกายในี้ใจนี้นั่นเองการที่เรายึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันมนาความทุกข์มาให้เหย่ยนแสนสาหัเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีแต่ความแปลกหวนังคบังคับไม่ได้เราอยากให้เรามีประสกบการณ์ จิตใจเราก็อยากให้สงบถาวรร่างกายเราก็อยากให้แข็งแรงถาวรเป็นนมเป็นสาวถาวรเลยความจริงมันไม่เป็นนะเพราะมันแก่เรายอมรับความจริงไม่ได้เราประทุกสิ ed, ส่ท really so so so so so so ุกข์เพราะมันแก่ร่างกายมันเจ็บไข้เรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ร่างกายมันจะตายเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เพราะมันจะตายนี่เรายอมรับความจริงไม่ได้นะความทุกข์ทางใจจึงเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้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 แต่เป็นจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเป็นจิตใจที่เฉยๆขึ้นมาจิตใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จะสุขขึ้นมาก็ได้แปลปวนตลอดเวลาเลยไม่มีนะจิตใจที่มีความสุขถาวรของคนในโลกไม่มีมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลานี่พวกเราฝ่ายฝันก็อยากมีความสุขถาวรอย่าให้จิตนี้มีความสุขถาวรจิตมีความสงบถาวร ความว่าฌาไม่มีนั้นจะเปลกเกี่ยนเปลงตลอดเวลาถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราทุ่มใจทุกวันไปนั่งสมาธินะพยายามทมสมาธิให้จิตสงบ ก, ก็ดีเหมือนกันดีแบบสมนาาจิตนะสงบได้อีกวันเด็กก็ฟุ้งซ่านไปอีกแหละงั้นถ้าเรากาวนาเราเอาแค่มานนะทำคตอมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งร้างแล้วเข้ามาทำความสงบอีพีดีชาติทุกวนเวอย่างนี้ท่านี้ไม่พอ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 แต่นนี้เราก็เรียบร้อยเราด้วว่าเราความโกรธเราอยู่ได้นานๆไม่จริงความโลภอยู่นานๆไม่จริงประอยู่ในขณะขณะอย่างเวลาเราคิดถึงคนเดินนี้เกิดมาคิดแล้วไอ้นี้ร้ายหรือเกิดความโกรธเดี๋ยวเกิดขึ้นเพราะเราหันไปเห็นคนที่เรารักเดินมาเราลืมคิดถึงไอ้คนที่เราโกรธความโกรธก็ดับไปเไอ้ได้แต่จิตที่โกรธนะอเอาเม่เที่ยง จิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความรักก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ทุกก็ไม่เที่ยงจิตที่ร้อนจิตอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงนี่แหละเราคอยมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจของเราเงเรื่อยไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเพื่อวันเลยเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงท้อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงหรอกสูบก็สูบชพื่อคราวนั้น ม, มันสบายก็สบายช w, ั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนะเป็นหนุมเป็นสาวก็ชัวคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ช่วคราวการที่เราไปมีสติแนละ้วคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเนื่องเงื่อนนะถึงวันหนึ่งเนียจิตมันจะยอมรับความรจริงมันจะรับความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตับทั้งสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวอันนี้แหละตัวสําคัญการที่เรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะ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 หายใจออกเป็นช่วงกลางก็ต้องหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าช่วงกลางก็ต้องหายใจออกไร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายเราล่างนั่งตลอดเวลาได้ไหมนั่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องลงไปนอนะยืนแล้วก็อาจจะลงมานั่งอีกหรือยืนแล้วก็เดิน <im S 1> เดินแล้วลงไปนอนนี่มไหมนิ่มกันหกล้ม <im S 1> ถ้ากดตัวปฏิเวลาเดินอยู่ก่อนจะนอนก็ต้องหยุดยืนก่อนแล้วลงมานั่งแล้วค่อยนอน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 นั่นไปไม่มีหอลอดนลนะ <S <S <S <S เราขยับตัวตลอดเวลาเพราะอะไรเพราทุกข์ความทุกข์มับีบพันอยู่ตลาดเวลาทาให้เราต้องเกลียดหยิ่หยาบโดยต้องขยับตัวไปเรื่อยเก็หนีความทุกข์เป็นต่อไปแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราอยู่กันมาคนละหลา ย, ลายสิบปีนะทุกคนก็เกือบร้อยปีแล้วอยู่กันมาตั้งนานร่างกายเราขยับไปเยือยเราไม่เคยดูเลยร่างกายมีความทุกข์เราไม่เคยดู มันเมื่อขึ้นมาว่าก็ขยับอัตโนมัติเนีคันขึ้นมาเราก็กล่าวอัตโนมัติเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรามีสติรู้สึกกายเราเห็นนะกายนี้ถูกความทุกข์เหยียดเบียดตลอดไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่คิดจิตใจก็เหมือนกันนะแปลกปลวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยมีสติตามดูจิตใจองไปสุดจเห็นจากความแปลกปลวนตลอดเวลาการที่เห็นสั้นแล้วสัสสสส้นหนีสั้แล้วสั้นหนีมาหนึ่งจิต ย, ยอมรับความจริงนะมันทุกข์ทั้งหมดเลยนะ ทั้งกายทั้งใจมันก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ให้เที่ยงแล้วกายทั้งใจมันบังคับไม่ได้หรอกแต่ปวนตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่ได้ว่าตัวตนถาวรเมื่อไหร่วันใดจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตนตนถาวรวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินคำว่าพระโสดาบันไหยใครเคยได้ยินให้พยักหน้ายังพูดสายกมือตอนนี้เวลาเรียกยกมือไม่มีนะ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 มันมีความรู้สึกว่ามีเราถาวร อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูกายดูใจถ้าเรารู้สึกตัวนะมีสติพอ ร, รู้กายมีสติพอ ร, รู้ใจพอตามตัไปเรื่อยเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัว ต, ว ต, วตววนถาวรใช่มเพะนั้นสำคัญมากนะการที่มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆ อ, อย่าใจ้อยอย่าใจน้อยพวกเราทั้งหลายมันนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย ใ, ใจลอยตลอดเวลา แล้วไม่เคยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของการของใจได้มันลืมตัวเองตลอดจะไปเห็นความจริงของการของใจได้ก็ลืมกายลืมใจตลอดแล้วเราคอยรู้สึกการรู้สึกใแต่นะเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันแต่มันมีปัญหาอีกข้อหนึ่งสําหรับคนที่คอยรู้สึกการรู้สึกใจคนที่คอยรู้สึกการรู้สึกใจเฉยเฉยส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีปัญหาชอบเป็นเข่งเฉยเฉอยู่ที่การที่ใจ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 นี่บ อ, อกไว้เวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจนี้เท่านั้นะเช่นเวลาเราจะปฏิบัติเราจะเดินจงกรมสิ่งแรกที่พวกเราจะทําเวลาเดินจงกรมคือวางฟองเอามือไว้ข้างหน้าบ้างไว้ข้างหลังบ้างเดินบางคนก็มีท่าเดินนะเดินท่านี้ถึงจะดีเดินท่านี้ถึงจะถะูกเลยบังคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจน้ำใจให้นิ่งกับทําให้ดู นี่อย่างนี้นิ่งแต่ที่เราค่อยๆเดินที่เราแตะแตะไปเรียบร้อยแล้วนะเราต้องการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าดัดแปลงกายอย่าแตะแปลงใจหน้าที่เรารู้ลงมาเลยจริงกายเป็นยังไงจริงใจเป็นยังไงคอยรู้สึกเหมือนคอยรู้ไปดูเหมือนแันดัง้วอุปสรรคสําคัญขอ ง, ของ น, นั้ปฏิบัติเนี่ยนะมีอยู่สองข้ออย่าง็หนึ่งข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจ นะข้อที่หนึ่งขาดสติเรืมกายลืงใจเรือที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรืมกายลืงใจข้อที่สองมีสตินะแต่กลับไปเพ่งการเพ่งใจไม่ใช่รู้สึกกาย ร, รู้สึกใจเพ่งการเพ่งใจเช่นเรารู้ลมหายใจนะเราส่งจิตของเราเป็นแนบอยู่ที่รมหายใจให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจเราจะได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบก็ทําส ม, ะามถะกรรมฐานยังไม่ได้เดินปัญญานะ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 ดูกล้างไก่นี้มันทํางานตัวจิตใจนี้มันทํางานถ้าตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบัตคับมันต้องนิ่งส่วนใหญ่เราจะไปบัตรครับพอรู้ลมหายใจนะเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราจะดูท้องอวยวุฒิแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเวลาเราจะเดินจงกรมเราส่งจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าะจะรู้อินทีย์ากดสี่นะเราจิตไปทั้งบนนะแล้วก็บอกลงมา ในร่างกายเย็นเดินหน้ามั น, านารู้สึกแบบเด่จะรู้สึกแบบแข็งๆตัวแข็งๆทื่อๆการเพ่งกับการรู้เนี่ไม่เหมือนกันต้อแยกให้ออกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมกายลืมใจขาดสติแต่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจหรอกพยายามรู้นะแทนการเพ่งรู้กับเพ่งต่างกันเพ่งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนอยากปฏิบัติก็อยากปฏิบัตินะเช่นเราเคยหัหายใจ พยายามปฏิบัติแล้วก็เจ้าลมหายใจไหมจิตเราก็แนบอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ขยับเลยจิตนิ่งสงบอย่างนั้นแต่เป็นสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานมีประโยชน์เป็นข้อดีทําได้ควรจะทำแต่ทําสมถะกรรมฐานอย่างเดียวไม่พอแล้วไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่สมถะไม่พอต้องถอดถอนจิตใจเราตัวเองออกมาให้เป็นคนรู้คนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา จะเห็นหน้ราร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนินงจิตใจอยู่ส่วนกนึ่งกายใจยแยกออกจากกันการจเจริญปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆเป็นเหมือนอย่างเราต้องการเห็นความจริงของสิท่งที่เรียกว่ารถจนเราคิดว่ารายนต์มีอยู่จริงๆเรจาจับมาฝอดเป็นชินช้นๆเราก็่าลูกล้อไม่ใช่รถจนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยน ตัวถังก็ไม่ใช่รถยน์นะเกียร์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนเพราเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์หรอกเป็นชินช้นๆแล้วเราพบว่รารถยนต์ไม่มีจริงรถยนต์เป็นภาพโลกตาเนี่ยเรากำลังจะณาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเรารเป็นชินช้นๆอย่างตาเรามาเป็นขันห้าเร า, าเป็นธาตุเราเป็นกายฐานแล้วแต่ละนะทั่วๆไปที่เรียนกันก็ถอดออกมาเป็นขันห้าหรือรูปกันามกายใจพรวยออ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 ของเราเนี่ยกายและจิตมันรวมเป็นก้อนเดียวกันนะถ้าทำสมาธิก็ยืดเป็นก้อนเดียวกันหนักขึีกหรืออย่างมากที่สุดนะร่างกายหายไปก็เดินจิตอันเดียวแต่ไม่เดินปัญญาสอว่างๆสบายอยู่ น, นั่นเองแต่ถ้าอยากเดินปัญญาอยากได้มากผลนิพพานมากผลนิพพานเนี่ยถ้าไม่เดินปัญญาแล้วไม่ทํำวิปัสสนาไม่มีวันที่จะถึงไม่มีวันบรรลุถึงได้เลยแล้วถ้าอยากได้มากผลนิพพานจริงๆนะค่อยๆหักแยกกายแยกใจเราเ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 ตอนนี้คนที่เรียนกระโหลกข้อเราแยกตัว น, นี้ได้นะนับจำนวนไม่ทั่วนะไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นคนทำได้อย่างนี้ยยเยอะแยะไปหมดเลยที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยถึงเวลาเราต้องแยกเราคิดแต่ว่าเราทำบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปใส่บาตไปนะปั่งรับอาธิฐานไปแล้วมันเนึ่จะได้ไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันถ้าอยากได้มากกว่านี้ผ่านจริงๆนะั้นมาหัดแยกกายแยกใจตเองเหมือนมาตอ่อด้วยตัวหน่เป็นชิ้นๆ น, นะเพื่อวันเนึ่จะ เ, เด็กนั้นรถยนต์ไม่เหนอย เรามาถอดสิ่งที่เร้ว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเมื่อวันหนึ่งเราเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องต้นทํำอะไรอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นะกําลังนั่งอยู่เราค่อยๆรู้สึกตัวไป ท, ที่ร่างกายไม่ร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายหายใจอยู่ในีใจเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาความปวดความเมื่อยแต่ร่างกายนี่เป็นคนร่างกันร่างกายยังอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปเยื่อเลย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 ความปวดความเมื่อเยเป็นเวทนาขันที่เราแยกได้สามขันนะนะขันแรกคือร่างกายเรียรูประขันจิตของเราเรียกวิญญาณนัขัความปวดความเมื่อยเลียกเวทนาขันแยกขันหนะ้าเพราะเวลาเราปลดอราเมื่อยขึ้นมาใจเราชักกระสับกระสายอยากเหยาปกปความกระสับกระสายของจิตความอยากเกิดเป็นยยากปเป็นสิ่อที่แปลกปลอขึ้นมาทีลังอีกและตอนมันเกิดกระสับกระสายขึ้มนมาเราใหอยดูลงไปความกระสับกระสายก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้า กระสับรส่ายก็ไม่ใช่จิตพวกเราทราบคิดนะว่าจิตกระับกระสายหรือเรากรับกระส่ายถ้าหันาวนาณไปหันแยก้าแยกขันธ์ไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าความกรสับกส่ายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้ข้อยๆแยกนะสิ่งที่เป็นตัวเราแยกเอาเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกสุบรู้สึกทุกอย่างเช่นความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วเช่นกิเลสโลภโกรนหลงทั้งหลาย ก็ไม่ใช่จิตแี่แเป็นอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสังข า, ารขันนี่พอเราแยกออกไปสุดแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วเราคอยมีสติถ้าสติมันระลึกรู้กายแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะและ้วสติระลึกรู้ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยว่าความปวดความเมื่อยหรือเวทนานะั้น ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แตลกกลับเขมาเท่านั้นเองถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอเป็นปวดเมื่อขึ้นมาจิตกระสับกระสายทุรนทุรายขึ้นมาเราจะเห็นเลยความกรสัพกระสายทุรนทุรายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตเลยไม่ใช่ตัวเราะนี่ยค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกขันออกไปแล้วขันแต่ละขันมันจะแสดงให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการเดินปัญญานั้นนี้ไม่ค้นการแยกรูปแยกนามแบบเนี้ย อันนี้เป็นพื้นื้นเลยนะบางคนไปแยกเป็นอายตนะตาหูจมูกนี่การจาใจก็ได้แยกเป็นธาตุสิบแปดธาตุก็ได้แยกเป็นอินทรีย์สิบสองก็ได้นะวิธีปฏิบัติมีตั้งเยอะแยะแต่ง่ายๆนะอ่านแยกกายแยกใจแยกจนวันหนึ่เห็นความจิงกกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสังขารที่เป็นกุศลอันกุศลไม่ใช่ตัวเราจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ย จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปเลยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้เปรี้งเป็นเจ้าเข้าไปแทรกแสงสตว์วัตทั้งหลายแยกออกไปแล้วแยกขันออกไปทิ่ละขันที่ละขันแล้วก็ดูลงไปดูความจริงของมันไปขันใต้ละขันไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้นะการภาวนาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อรักความเป็นตัวตนนะ เป็นตัวตนไม่มีมันตั้งแต่ในแต่ไรล้วมีแต่หลงผิดเพื่อมีตัวตนเพราะฉะที่เราภาวนากันแค่เป็นแต่ตายเพื่อละความเห็นผิดศีล เ, เนี่ยทำไปเพื่อละ ก, การทําบาปมังุสมอยาบหยาทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยทําไปเพื่อละความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตส่วนปัญญาเนี่ยละความเห็นผิดละความเห็นผิดเมื่อไหรนี้ใจนี้เป็นเรามีเราอยู่จริง พอจับมันแยกเป็นส่วนๆแนละ้วเพราะว่าตัวเราหายไปมันเรอจ่จากบรถยนต์ไปแยกเป็นชิ้นๆรถยนต์นก็หายไปพอตื่นตรงนี้เราจะเห็นความจริงนะตัวเราไม่มีผู้ที่เห็นความจริงตัวนี้จะเป็นพระโสดาบันนะอุทุชนจะไม่เห็นความจริงตัวนี้อุทุชนจะมีความเห็นผิด ต, ตลอดเวลาว่าตัวเรามีนั้นถ้าพวกเรารู้สึกเแบบนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตลอดเวลา เ, ลเราเหรือเราอยู่ตลอดเวลาเลชื่อจริงๆว่ามีเรา ถ้ามีเราก็มีของเรานี่ไหมก็มีเขามีของเขาขึ้นมามีการแก่แย่มีการช่วงชิงมีความขัดแย้งนานาชนิดเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากความมีตัวมีตนเองดังนั้นถ้าขอบความความเปลี่นผิดว่ามีตัวมีตนนั้นกิเลสจะเบาวางลงไปเยอะก็ตัวเราก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรนักหนามีชีวิตที่พอเพียงก็พอพอดีแล้วะถ้าภาวนามาว่านั้นขึ้นไปปัญญาแก่รอบขึ้นไปจะไปอยู่ระดับหนึ่ง ปัญญาเบื้องต้นที่ทําให้ได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็แค่เห็นว่าตัวเราไม่มีหลักจากนั้นไปภาวนานต่อไปอีกเราจะเห็นเลยว่าทั้งๆ ท, ที่ตัวเราไม่มีนะแต่ปทีจิตมันก็มีปวามอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อนั้นทุกเมื่อไหร่ไม่อยากเมื่อไหร่ไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกถ้าจิตมีปัญญานี้นะจิตจะไม่แสบสายออกไปทางตาหูจูกลิกายอนะ่ะไม่เที่ยวกี่อารมณ์จิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่อยางนั้นทั้งมันทั้งคือโดยไม่ต้องรักษาเลย มีสมาธิบริบูรณ์นะแล้วมีปัญญาป า, ากลางอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีดั น, น, น, นั้นเราภาวนาต่อไปอีกจนมันนั้นเจะเห็นความจริงจิตนั้นจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์โดยตัวของตนเองขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์โดยตัวของตนเองขึ้นชื่อว่าขันธ์ไม่มีคำวมาสุขเลยขึ้นชื่อว่าขันแล้วมีแต่ตัวทุกข์เราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะสละคืนขันธ์ให้รอกต่ไม่ยึดถือขันธ์นะ จะเวียนขันโยนทิ้งไปเหมืนโยนลงเหว่ไปเลยสลัดทิ้งแต่จินเป็นอิสระจากขันจิตกล้าออกจากขันจิตเป็นอิสระจากขันขันมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปกาะจิตไม่เข้าไปยึดถือเพราะฉะนั้นไม่ว่าขันจะแตกขันจะดับหรือขันจะเสื่อมสูญแตกสลายยังไงนยะจิตไม่ทุกข์ด้วยเลยจะ พ, พ้นทุกข์สิ้นเฉิมเลยตรงเนี้เมื่อไรเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะเรายึด พระเจ้าทรงบอกเลยถ้าเรามีนาเรายึดนาเราทุกข์เพราะนากลัวคนอื่นก็มาลุกนาเรามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวนะตัวคนมาขโมยมีรถยนต์ก็กลัวคนมาเอาไปมีบ้านก็กลัวไฟไหม้กลัวเลือกขึ้นนะมีอะไรก็ทุกข์รานั้นมีร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีอะไรก็ทุกข์นั้นแต่ถ้าปล่อยวางแล้วไม่มีอะไรคืนให้โลกไปแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่กับโลก ไม่เกี่ยวกับเราลนะท่นพวกเรานะบุญนักหนาเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่เรามีพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรมนี่เรามีสิ่งที่ดีที่วิเศษหลายอย่างประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเราพวกเราถือว่าพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นคนมีบุญนะนี่เรามีบุญได้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเหลืออยู่อย่างเดียวเอาไปปฏิบัติ ไม่สมควรเกี่ยตธรรมะธรรมะนั้นเอาไปฟังเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว่างคนฟังมาทั้งหลายปีแล้วถาว่าได้อะไรบ้าสบายใจหรือได้วู่งานะเบางคนนั้นชอบมากเลยวันไหนมีฟังธรรมะได้วู่ไม่ต้องทํางานอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องนะแล้วธรรมะฟังแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติให้ได้วิธีปฏิบัติทำํำง่ายๆนะง่ายเลยรู้ทางใจตัวเองไม่บ่อยๆ ถ้าเรารู้ทันจิตใจตัวเองได้แนละ้วคนที่ไม่เคยมีสีมันจะมีสีขึ้นมาคนที่ไม่เคยมีสมาธิมันจะมีสมาธิขึ้นมาคนที่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจก็จะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาครูบาอาจารย์มาองท่านสอนง่ายๆท่า น, นบอกให้มีสติรักษาจิตเนี่ยให้ดูรู้ทันจิตตัวเองไปเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้ที่จิตถ้าเรารู้ไม่ทันนะกิเลสครอบงำจิตได้ถึงจะมีโอกา ส, าสทสํากิเลสเองคนทํากิดลสเได้เพราะกิเลสครอบงำจิต ถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตจะทําผิดศีลไม่ได้นะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตได้เราถึงไปฆ่าเขาได้ถึงไปด่าก็ได้ถึงพิตีก็ได้ความโลภเกิดขึ้นความโลภครอบงำจิตถึงไปขโมยก็ได้เป็นชั่วเขาได้เนี่ยหรือไปโกงหลอกลวงก็ได้เราผิดศีลขึ้นมาเพราะเราถูกกิเลสมันครอบงจิตเอาแต่ถ้าเราคอรู้ทานจิตใจของตัวเองนะคอยรู้ทานจิตตัวงบ่อยๆ จิตขยัประยเยื่อแคลนไหวจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเรารู้ทันเรืยไอ้กิเลสเกิดขึ้นมาเราเรารู้ทันนะกิเลสจะดับทันทีดับเองทันทีที่สติเกิดอรูศอใดๆที่มีอยู่จะดับโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยครูสอนแล่ครูสอนจะไม่เกิดร่วมกันงั้นถ้าเรามีสตินะอใจเป็นโกรธขึ้นมารู้ทันเลยใจเป็นโลคขึ้นมาเห็นแก่ท่านอำนาจ ด, ดูท่านดี อยากเป็นอย่างท่านบ้างหีืแย่งตาแหน่งทันเลยเางนี้อย่างนี้เรื่องโลกเรามีสติรู้ทันความโลกนี้ตับไปก็เราไม่ทําผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเองนี่จเกิดความละายใจละอายที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลขอว่าปเราได้ยินคําว่าดีเดียวตปะปาดีเดียวตปะปาด์มามาจากที่เรามีสติรู้ทันใจของเรานี่ละเราลุ้นทานได้เห็นกิเลสเกิดขึ้นนะเราละอายกจใ จ, จตัวเองเลยที่จะทําความชั่วมันอายตัวเอง แล้วสีมันจะเกิดขึด้นโดยอตโมัแล้วถ้าใจเราฟุ้สร้านไปเรามีสติรู้ทันจิตใจมันฟุ้สร้านไปคิดไปในทางการเนะอยากโนนอยาก น, นะคิดไปในทางพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ย น, ยนทำร้ายคนลดอันนี้ไปนะเรามีสติคอยรู้ทันไปรือสงสัยสงสัยในพตันตนาใจสงสัยไปเรื่อยนะเรามีสติรู้ทันไปนะกิเลสพวกนี้ดับไปกิเลสพวกนี้เป็นกิเลสระดับกลางรว่นิวรมีห้าตัวนะไปหาหาร ถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะนิวรเป็นศัตรูของสมาธิแล้เรามีสติรู้ทันจิตแล้วก็มีศีลนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองแเราก็จะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นขึ้นนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองแต่เรื่อยๆจะเห็นว่าจิตนะั้นทุกชนิด น, นะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีที่ร้ายเกิดระดับนั้นสิอันนี้คือปัจจัย แ้เราฝึกไปเรื่อยนะศีลสมาธิปัญญาเราจะแก่รอบขึ้นรื่อยๆถึงวันหนึ่งวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นความเบืกอพ้นจะเกิดขึ้นยังมาขอบวิมุตต์นะขอกันไม่ได้ต้องทาด้วยตัวเองแลเรียนนะฟังธรรมมาแล้วก็เอาไปทํานะมีสตรรริรู้ทันใจของตัวเอ ง, องนี่ยบ่อยๆเป็นวิธีกรรมฐานที่ง่ายที่สุดรู้จะง่ายยังไงล่ะใจเป็นโกรดขึ้นมาก็รู้ใจเปนโลภขึ้นมาก็รู้ใจเปดีใจเสีย ใ, ใจใจไม่โสดใจไม่พุ่ง คอรู้ทันใจของตัวเองเรืยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทกแซงเอาแค่รู้นะสีสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่รอบขึ้นมาถึงวันหนึ่งมันแก่รอบพอสมควรมวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นเองวิมุตต์คือความหลุดพ้นจิตมันลุกพ้นจากอ า, าสวะกิเลสที่มันยอมใจเราได้กิเลสยอมไม่ได้อีกต่อไปแล้วจิตมันหลุดพ้นจากอ า, าสวะนะค่ฝึกไปนะฝึกไปฟังคับมาพอสมควรมีเวลาเล็กน้อยใคร อยากคุยกับหลวงพ่อเชิญใครจะถามเชิญขอาคนในวังนี้ก่อนได้ไหมรู้สึกพวกพี่ยศของเรานะเป็นพวกที่คุ้นหน้ามากเลยแล้วแค่แฟนกลับขอเชิญครับเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้ของสำนักครับขอท่านใจมีเราถามขอเชิญสักลองให้คนนอกก่อนก็ได้เนพะื่เป็นตัวอย่าง S <S เป็นกันใหญ่เลยะได้ชักสิบคนครับว่าสิคำถามถท่านใดมีคำถามก็ เ, กเชิญครับเชิญเลยตรูนั่นแหละที่การยกิยานเอาคุยเพื่อนสักาการ พ, พ่อครับตางต่างนะแก่แล้วนเลยถมน้วสการพ่อครับผมมีปัญหาขอกราบเรียนถามพ่อว่าตอนะกราใหม่แก ได้ฟังทีทหลพ่อมาประมาณสามปีแต่ว่าในใการปฏิบัติก็เย็นบ้างหายบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างตลอดแต่ว่าสองปีมา น, นี้ที่ได้ฟังทีทีหลวงพออ่อมีควาถามที่ถามพ่อประมาณสามคำถามหนึ่งก็คาถามแรกคือขณะที่ดูจิตกับดูกา ย, ยาใช่ไหมคือมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นการที่มันเป็นทุกข์ ก็อย so, like ่างเช่นฟังซีดีของต่อคงแรกเห็นว่าขณะที่เราหายใจรดูกายที่มันเปิดใจเห็นกายที่มันขยับอเห็นกายที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นผทุกข์ตัะนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งที่ปฏิบัติไปจะยืนแข่งแขนมือเดินไปจะเห็นคแวบหนึ่งที่กายมันแยกออกกันแล้วที่ราฝึกมันแยกออกแล้วขนาดสงสมวันที่ผ่านมาเราไปตั้งเขาสัมมาา ก็มีความรู้สึกว่าเห็นการมันขยับเห็การมานสดมันเมื่อยเห็นความเรียนทุกข์แล้วอีกคำถามนึงก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมาจะให้สุ่งจะเห็นนคเขาคุ้นดู้่ายไม่ดหรอกนะดูกายไปเลยเห็นแม่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร้างกายเหมือนคุณนยนตตัวหนึ่งเสหมายเปลยนแปลงไปเรื่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนรู แล้วจิตเองบางทีก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมบางทีก็หลไปนึกออกไหม บ, ท, หมบทีก็ลืมตัวทีก็รู้สึกตัวแล้วเราก็คอยรู้ทันนะ่อตอนนี้จิตนี้ไปคิด้ะทราบไหมจิตนี้ไปคิดตัวทนแล้วจิตนี้ไปคิดเีนี้ไปคิดอีกแล้วรบไหมเป็นดูกายนะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดแล้วไอ้สิ่งที่เราบอกเลยมันเห็นเปนความเป็นทุกข์เป็นการพูดเองหรือว่าจิตมันเิ็จริงจิตมันเห็จริงๆนะแต่อยางเห็นไม่พอ แต่เห็นอแล้จะได้ธรรมะนะครับไม่เกินวิสัยนะที่มนุษย์ปกติคนหนึ่งคนหนึ่งจะปฏิบัติได้นะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะค่อยๆเห็นแต่ร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนไปรู้เห็นเบญธนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเป็นคนไปรู้ค่อยๆเกิดแบบนะเห็นกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญาก็แจ้งทุกอย่างไม่มีตัวเราเลย ครัเป็นไงครับขออนะุญาตเรียนถามหลวงพ่อนะครับผมือพอได้ใหม่ก็จะมีความรู้สึกใจสั่นเมื่อกี้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยได้โอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ที่ศิีนาชาหลวงพ่อก็บอกว่าตัวผมเนี่ยคนที่คิดเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เลยฟังซีดีหลวงพ่อ ก็อยากจะเรียนถามผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับ ท, ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี้ยเกิดมาความรู้สึกแรกเลยก็คือคขี้เกียจไปทํางานอืนะครับก็เห็นว่ามันขี้เกียจพอสักพักหนึ่งก็ก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกปวดเมื่อยในร่างกายอืนะครับ ก, ก็ก็ดูดูความปวดเมื่อยไปแล้วพอลงมาที่ข้างล่างปุ๊ ก, ก็เจอว่า ลูกชายเนี่ยยังทําการบ้านไม่เสร็จแล้วทําให้ไปโรงเรียนสายก็เกิดความโกรธความโกรธนี่ยมันแน่นชี้ยิบขึ้นมาเลยนะครับก็ก็จะเห็นตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็จะปฏิบัติอย่างนี้ก็<ส>คือเวลามันเกิดขึ้นเราก็ออันหนึ่งที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้ให้เก็บมือไว้ครับแล้วให้ดูดูมันไปแล้วก็ก็จะบอกตัวเองว่าเออช่างมันเดี๋ยวดูมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ก็เป็นมันก็จะมีความคิว่าพอ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 อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้อตงปาิบัตินะภาวนาทาอย่างนั้นแหละแต่ต้องแยกกันบอกนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยสับว่ารู้สับว่าเห็นตามรู้ตามดูเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแแต่รูปไม่ทํากันว่าเนี่ยสับว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้นาน <c oughs> คนละเรื่องกันนะคร <c oughs> ับก็หาทางให้ทำกันบ้างแต่นส่วนของจิตใจเราเนีรู้ทัน ที่คนฟรีใช้ได้นะใจมันโลงร้องเบาเต็มผู้รูุู้้ดูขึ้นมาขอบคุณครับแต่เลยหลกไปเลยตอนนี้การ่าวด้วยราชการค่ะลุงพ่อก็หนูหนูก็จะไปกล่าวหลวงพ่อที่สวนสันทิธรรมศกันบ้านหลายครั้งแล้วที่จะบอกว่าหนูมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ใครนี้ก็ขอส่คันบ้านช่วงนี้ ช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะทําในมีกิจสิทในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะหลวงพ่อไม่พอนะำไม่ก่อใจไม่ต้งมค่ะรู้สึกไหมเหมือนจะฟู ง, ง่ายคือช่วงนี้จะฟู ง, งานนะะ่ายใช่ค่ะแต่จะปล่อยให้ฟูหลวงพ่อมีข้อแนะนํายังไงบ้างคะไม่ในรูปแบบด้วย น, นะค่ะไม่ให้กําลังไม่พอใจไม่มีสมาธิได้ ่ในรูปแบบก็คือการเพิ่มพลังของสมาธิค่ะฉันทุกวันไทส่วนวนั่งสมาธิเดินโยกลมนะค่ะการจะทงานเหล็จิ้จะทางานตัวอย่างนี้ทุกวันทุกวันจะได้มีแรงแรน้อยเกินแต่อ๋อค่ะได้ค่ะแต่งหน้าเขางมันเป็นปัญญาไม่ได้จริงหรอกอ๋อค่ะได้ค่ะเอ้รักป่ารักหน้าค่ะวพ่อคเดียขอให้คุณแม่ต การบ้านจรงๆนะคะพอดีว่าต้องไปถามคนที่เขาจัดนะอ๋อค่ะขออีกท่านหนึ่งได้ค่ะไหนคุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่ตือนเต้นไหการเป็กาฬพิธารขออก็คือเอ่อโยงปกติก็ปฏิบัติธรรอยู่แต่ว่าคือจะไม่ค่อยจะแบบเออได้เต้น ไน้ oh, ่ะได่ะไม่ทำทำี้เลยงี้ให้กันบ้านให้ได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะค่ะเพราะว่าแล้วก็อย่าไปเคร่งจิตให้นิ่งอ่ค่ะเพราะปกติตัวเองจะชอบสมถนามาและแหละที่ติดนั้นแหละอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะโยงนี่จะเดินสายของหลวงพ่อพุทโธมากกว่าก็เลยแบบอืม จะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเลยค่ะนิ่งจนแบบพาพุทโธพุทโธต่อแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยแบบว่านั่งจนตั้งมันรู้ไหมตอนนี้จิตเปลี่ยนยังไงรู้ค่ะรู้ว่าวันนี้ได้่าน ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้จัยคะรู้ว่าวันนี้ขึ้นมาปู่พี ใ, ใครๆเขก็รู้คนปฏิบัติเขาก็รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะกำลังพูดอยู่ใช่หมจ๊ะคะตัวเลังพูดอยู่ก็ยังไม่ใช่วิปัสมาอืมเพราะฉะนั้นหาก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่างที่อันนี้คือตัวเองเนี่ยค่ะเวลาวันนั้นวันพีวันหนึ่งนะคะคือ แบบดูตัวเองแล้วทีนี้พอมันแป๊แบหบนึ่งคนะือบรรณาธิการแบบว่าเอ่อถ้วยที่ล้างอยู่เนี่ยค่ะ mm. มันตกแตกปุ๊บเนี่ยฮะ mm. ทีนี้เราก็แบบแป๊บหบนึ่งขึ้นมาบอกว่าโออมันก็เหมือนว่าสังขารของคนเรานี่มันก็เป็นเหมือนถ้วยนะเนี่ยนะแล้วทีนี้มันก็วัาขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ รู้สึกว่าโยมโยมหลวงพ่อให้กันบ้านดีกว่าอันนี้ก็เคยจะถามว่ามันเป็นอะไรให้กันบ้านนะคาโทรไว้แล้วรู้ทางจิตไปพูดโทรพุดโทรนะพอจิตทุ้งซ่างจิตแอบไปคิดเนี่ยรู้ให้ไหวไหวไว้ไวขึ้นใช่ไหมคะจะไปฝึกให้รู้ไหวเวลาจิตแอบไปคิดนั้นพุดโธพูดโธพูทโทรนะจิตนี้ไปคิดแวะรู้ทัน พุทธพทธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆนะ <ฮา S 1> ให้คนเด็กบ้าับ <ฮา S 1> ้านเรไปทำนะไม่งั้นไม่ไหวด อ, อกแล้วพุทโธให้จิตนิ่งนะาอเลิกกดเมื่อไหร่จะฟุ้งน้ำจะฟุ้งกว่าคนทั่อไปา ก, การนมสการพอคผมได้ปฏิบัติโดยการส่วนใหญ่และเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือเป็นส่ญใหญ่ครับ และครั้งสุดท้ายประมาณสี่เดือนสุดท้ายครูปอาชารย์ก็อยู่ในซีดีนะครับคือหลมงพ่อเขาปฏิบัติโดยดูกายดูเมตตาบ้างดูคว<ม>ามรู้สึกที่เกิดขึ้นบ้างก็<ม>เห็นคือวันนี้ตั้งใจราวกันบ้างส่งหลพ่อกับ<ม>อยากจะทราบว่ามันจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดูต่อไปได้ไปปกคร อ, ใ จ, อใจให้นิ่ง นะอย่าตาเดกกดเอาไว้ดูออกไหมอย่าไปกดมันนมันมันมันสั่นมันตึงต้านกายสั่นถ้างกายเป็นสั่นดูคนใจร่างกายที่สั่นอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นหน้างายเป็นสั่นไปเห็จิตที่ตื่นเต้นเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหรอเราสั่นมันไม่ได้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะจิตแอบเป็นคิดสักไหม ครับครับไปเดีคิดไม่เร็วแบบน ะ, อะคอยดูทันนะเวลาจิตมันไหลไปคิดนะรูบ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น เ, เ, เวลาจิตมันไหลไปคิดเราจะลืมการลืมใจพอรู้ทันว่ามันไหลไปคิดเราจะตื่นขึ้นมา อ, อย่าหลงให้คิดอีกแล้วทราบไหมออครับครับไปเหน็นว่านะต้อไปตึกต่อนะสึกรับ มรส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพ่งเพิ่งเคยมาฟังท่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิหรือที่ว่าถ้าเกิดสําหรับคนในหม่ๆที่จะเริ่มเนี่ยควรจะเริ่มโดยการนั่งสมาธิก่อนหรือว่าดูจิตก่อนค่ะดูจิตไปก่อนของคุณจริทธไ์ในิสัยเให้ไปนั่งสมาธิมันไม่สงบหรอกเพราะเกิดนิสัยใจคอแล้วเ็คนช่างจิตนะั้นคิดไม่เลิกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าจะนั่งให้จิตสงบแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยมันมีน้อย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 พาเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่โกรธไปอะไรเงี้ยรู้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มสงกพอจิตสงกแล้วนะเราค่อยมาทำความสงบกี่หลังก็ได้นะใช้ปัญญานามไปก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างเขาคุณจะเริ่มจากสมถธจิตมันไม่สมกงกมายหรอกเต่อย่างวัดหนึ่งค่ะอย่างเมื่อกี้หนูนั่งนั่งฟังเนี่ยหนูก็หลักตาแล้วก็อัอเหมือนกับฟังท่าน ฟังอาจารย์ก็ยังฟังอยู่แต่เปนเหมือนเคิรเอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่ามันเคิรเคิรอย่างนี้เรียกว่าบุจิตรึเปล่าคะแต่วันแต่ก็ได้ยินผมขอโทกคนหลักเล่นะยังได้ยินแม้เราได้ยังรู้สึกตัวบ่อยๆนะยังแล้วไม่ดีเลยถ้าเจอคนต่อไปมีไหมแตงนีบ้าแตงจีบ้า การมัสการหงพ่อนะครับอว่าี้ว่ากำงเรียนอยู่แล้วก็กิจกรรมมากาเป็นธรรมชาติจะปดเลยมนมีหน้าที่เรียนนะไม่ใช่หน้าที่กิจกรรมบริการไว้เ่อยนะพยาพุทโธพุทโธไปก็ได้นะพรใจเราเี้ยงงมางงจะซึมง่ายดออไหม เวาพุโธพุโธทไปนะพอใจนีพิชิตรู้ทันพุทโธพุทโธใจหนีพิชิตรู้ทันนะให้จิตใจเน่ยตั้งมั่นอยู่รเนรตัวขึ้นมาการเรียนก็จะดีขึ้นรอยรู้ทันใจที่มันวิ่งใจเชื่อิงตลาดเวลาต่เห็นห้ความีใจก็ว่งไปที่หลวงอเ็วเทียนใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีความอยากดันขึ้นเลานะบอกปาญหาเกิด้นด สตรู้ทันก็จะขาดไปให้รู้ทันจิตใจตัวเองไปแต่ว่าทุกวันนะซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเราก็รู้ทานจิตพุทโธเราก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลาลมหายใจเราจิตไปเนี่ยไปทำจิตแนบลมหายใจนะมันจะเจ้าใส่ลมจะเจ้าอย่นั้เวลารู้ลมนะจิตเนี่ยเคลื่อนดีอยู่ที่ลมไปนิ่งอยู่กับลม อันนี้ได้แต่สวัสดิ์แต่ถ้าเป็นร่างกายในไหนใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมในใจนะจิตรู้ตัวทั้งตัวรู้ตัวทั่วรอบรู้อยากสบายๆเนเห็นร่างกายทั้งตัวหรืออย่างเนี้ยถ้าร่างกายมนแต่ใจจิตเป็นแค่คนดูจิตอยู่ตาหาอันนี้จิตจะตั้งมันขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตไหลไม่อยู่บนลมในใจแล้วแต่เ้นๆลงไปคิดแทราบไหมเนี่ยท่านรู้ทันอย่างนี้นะจิตลบไปแล้วรู้ไวๆอ่ะไป น้ำสัดงานห์วพ่อค่ะดีเป็นโยมในวัตถุปฏิบัติใหม่คะอยากให้หลวงพ่แนะนาว่าเข<อ> <จะ S 1> พ<อ>ูดนะเป็นเส้ไใยร่างกายนะป็นทุกรดิกไอย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งจะเพ่เอาเพ่งเานะางาะพยายามเดินพยายามทำงานปัด บ, บ้านปูบ้า น, า น, านอะไรเงี้ยเราเห็นร่างกายเส้นใยไปเรื่อยๆนะสติเดินได้นะร็วถ้าไปเกิยดไปนั่งสมาธิเฉยๆก็เปรี้ยงเปรี้ยงออกมา โยมก่อนต่องสัาระหลวงพ่อกหลวงพี่ก็ได้สักกรเป็นยมได้ฟังซีดีจากท่าอาจารย์นะคะได้ฟังมาห้าเกอแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึงโยมนั่งน้มไปรู้สึกว่าวันนั้นโยมได้เห็นวบบเนืว่ามันเป็นอย่างมีความรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโยมเห็นแค่นิดเดียวนะคะโยมจะอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นมันจะไม่เห็นนะ ้ฝึกของเราได้ฟังซีดีไปเอยจโยมก็เริ่มตืนะตงงม่นเรื่รู้สึกว่ามันเหมือนหลับตืนะต่น่มาจริงๆแต่ง้ก็ค่อยตืยนะ่นเรอยไปนอยู่ใช้ได้นะขอบคุณซานีก่อนๆนะซีดี ก, ด ก, ก, ก, ก, กด่พราะจะแจกฟรีด้ววันนนะีไนะ้ไม่ได้พกแจกเป็นดาวโหลดฟังเราไม่มีขายอาเชิญท่ากรมาสการของพ่อนะ อยากจะกลับยัถามหลวงพ่อว่าบางทีช่วงที่อกะผมเคยเคยนอนฝันนะครับฝันนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เราฝันมกัมกจะมักมัเหมือนกับจะลงมาในโลงหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันคือสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้นะประจิตเป็นผู้รู้ทีมันรู้อดีต ร, รู้อนคาคตเป็นเรื่องประดับศีลบางคนกเป็นย่นย<อ>างนนเป็นเรื่องตรรศิกนะอืมแต่ที่สําคัญกว่านั้นออนนั้นมันเป็นของแถมของจริง ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงในการในใจไปเรื่อยๆเราจะได้อของจริงในมันนึ่นต้นหน้าแต่ท้าเราพาเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบอยู่เฉยๆเราได้สมถะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิดยากของท่านถ้าดูกายล้วก็อย่าอยู่เฉยๆดูกาย แต่ส่วนแต่ละส่วนใจโฟมคนเล็กตันั่งเรื่กระดูกอะไรนี่ดูไปไม่มีตัวเราในกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่นี่บ่อยๆจิตมันจะถอยออกมาจากการที่ตั้งมั่นสงบอยู่นิ่งๆออกมาทํางานจะมาเห็นความจริงของกายที่บ่อยๆแต่เราดูนะเราเราเนี่ยเราจิตกับเราเราไปนะดูซิลปผมผมเป็นตัวเราให้เราสังขัรดูเลยนะ ผมผลลัพธ์ตันหนังได้ไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกาย<ม>อยากให้จิตสงบอยู่เฉย ๆ, ๆจิตสงบอยู่เฉยๆได้แต่สมถะมให้จิตออกมาเดินปัญญานบนวิบาพิจารณาอยู่ในกายได้ต่ตไปจิตจะเคลื่อนไหวและสติไม่จะรลึกได้ในตอนนี้จิตเปคิดนสัก<ม>จิตเป็นไที่คิด<ม>แล้วก็รู้ัน่าไหลอย่จิตค<ม>อรู้สึกคอรู้สึกอยู่ที่กายคอรู้สึกอยู่ที่ใจ<ม>รู้สึกหมดหเือ่<ม>อวัเดินปัญญาเฉเกิด มาก่อนทีพานจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขากปัญญาเราท่านสมาธิอีกแล้วท่านสังเกตไหมความรู้สึกของเราจะกระจายกว้างๆออกข้างนอกสึกไหมแต่จะโล่ว่างดูสบายอยูข้างนอกนะอันนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันกว้างๆออกไปมันไม่ยอมย้อนมาดูกายดูใจเพราะนั้นน้อมใจกลับเข้ามาที่กายน้อมใจกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆ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 แล้พระพุทธเจ้าสอนหลัออกของการปฏิบัติที่สําคัญเลยคือให้รู้ทุกบอกทุกให้รู้สิ่งที่ทุกก็คืออุปาทานขันขันที่เรามีอยู่นี่นหนแหละเรียกว่าอุปาทานขันหน้าที่เราก็รู้ก็าบ่อยๆดูไปเรื่อยจนเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ร้อนร้อนในการในใจจิตจึงเฉยยออปลอยวางก็เห็นแา่ความเป็นจริงเห็นทุกข์อะไรจิตจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือก็คลายกําหนัดจึงหลุดพ้นถ้าเราไปเห็นทุก เราภนาแล้วเราเหลือแต่ความสุขมันเดียวเราจะไม่พผล่หรอกท่านเดินปัญญาให้ยุเลยนะสมาธิท่านดีอยู่แล้วนี่ไหมีเวลาห้าหกนาทีธรรมสถานพระอาจารย์ครับผมก็เคยได้รับฟังซีดีขอ ง, งพระอาจารย์แล้วก็พยายามศึกษาปฏิบัติตามแนางีนะครับทีนี้ว่าก็าจะมีพระคุณเจ้าอยู่ลายหท่านก็ ดังความกลาก้าของวาสุกอริสตาที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการแยกสมถะกับวิปัสนาอยากให้อาจารย์อธิบายจากนี้นะครับขอบคุณครับสมถะกับวิปัสนาเป็นของที่มีประโยชน์เรเาเพื่อจะรปสอนนบอกว่าสิ่งที่ควรทํร า, า, าคือสมถะและวิปัสนาสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนามีคำว่าปัญญาอันยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเระหว่างทาไม่ลงไม่เบือไปทําอันอื่นก็ววมีสังคเัญญยะกากับอยู่นั่นเองสมาทานนั้นทําเพื่ออะไรสมาทานทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นจิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงวิธีทำํำทำยังไงจิตของเราปรกติเนะี่ยร่อนเร็ตลอดเวลาวิ่งไปทาโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปอดีตไปนอนาคตตนะลอดเวลาเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร็วไป มีบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุทธพรธรรมพะสงฆ์อะไรก็ได้คิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายอะไรก็ได้เราสักอย่างหนึ่งให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่ว่าเมื่ออยู่แล้วมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใดแล้วเนี่ยจิตจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นแต่ที่จิตของเราเร่องเรก่วิ่งหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยเรื่เพราะจิตมันไม่มีความสุขจริง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 จิตเหมือนเด็กร้อนเร่ตลอดเวลาหนีไปเที่ยวที่โน้ที่นี่นะมันเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยเราอยากให้เด็กสงบเรียบร้อยเข้าบ้านไม่หนีไปเที่ย ว, วเราก็เอาขนมไปล่อเราของที่มีความสุขไปล่ออย่างช่วยเด็กมากิ น, น, นไอศคิีมนะเราอยากไปเที่ยวนอกบ้านเด็กมันมีความสุขก็ไม่หนีไปเที่ยวจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเที่ยวหาความสุขหรือเที่ยวหิวอารมณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราเอาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาให้จิตจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้น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 แล้วจะทำนิพพานานะต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจดูไปสิจริงจริงกายเป็นยังไงดูไปสิจริงจริงจิตเป็นยังไงตรงนี้ที่ผมบอกว่าอย่าไปใจลอยถ้าใจลอยแล้วมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วอกว่าอย่ามาเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะตายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่สแสดงความจริงให้ดูนั้นะเราคอยแค่รู้สึกกายรู้สึกใจปล่อยให้กายให้ใจทำงานมันมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเราจะเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเรอกยกตัวอย่า ง, โโงฟังซีดีล้วขาเกินเดือน2เดือนแล้วเขาแยกออกแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่ไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่า ก, กิเลส ก, ก็ไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปเนี่ยเดินปัญญาเนี่ยนะเดิน น, นิพพานนะค่อยๆแยกกายแยกใจแก่กแล้วก็ดูไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือการถอดถอนการทำลายความเห็นผิด ในการเลยงใจนี้จะล้าความเห็นผิดได้ก็จะพนทุกข์ได้ว่ามเห็นผิดแหละตัวหัวโจกของขันหาอาวิชาควา ม, มรู้นั่นเองเวลาอเราทำวิปัสสนาแลก็เกิดวิชาความรู้ความจริงก็ล้างเอวิชาไปนะก็พนทุกข์ไปทัสมถะท า, าวิปัสสนาก็ไม่เหมือนกันคนละวัตถุประสงค์คนละ ว, วิธีการนะสมถะต้อการให้จิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวไม่ร่อนเร่ไป วิธีทําน้องจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขและจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ น, นั้นโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ไม่เป็นสมถะวิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้คอยรู้สึกอที่กายรู้สึกอยูที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเทียวกันก็ อ, อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจจนเงินนิ่งให้คอยรู้สึกมไปเดี๋ยวก็เห็นความจริงแสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่เชื่อปูนกันสมถนเราก็ไม่จริงนะทำได้ก็ต้องทํา จิตไม่มีสมรัถนะหลังเลยเวลามาเจริญวิปัสสนามันจะฟุ้งซ่านนมันจะดูไม่ได้จริงอ่ะจิตมันต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาแล้วมันจะถึงจะแยากตายแยกเวทนาแยากจิตได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านมัน ก, ก็แยกไม่ออกถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานที่เห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่และส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เรานั่นเป็นเกื้อกูลกั เวลาเดินิปัสสนาไปบางทีฟุง้งซ่านแล้วก็กลับมาทําความสดวกมากแต่สงบแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่ไม่อยู่สบายเพลินนานๆบ้างๆกลับมารู้กายมารูใ้ใจนะให้เดินอย่างนี้นะครับเดินสองขาโดินย้อนพระนะครับพระยิรมสมถะไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระเราไม่มีกวามมันสุขเลยอยากกินของอร่อยก็ไม่มีให้กินเลยหน้าหนาวั้นหนาแค่ตายเลยทีบอลพระไม่มีคุณพิเศษอยู่ข้อเดียวนะ หน้าร้อนรหน้าหนาวหนาไม่เราไม่มีการประสุขมีควาส ม, มาสุขทางกายแล้วทำความส อ, อกมานะจิตใจได้มักกว่าจิตใจมีความสุขให้เราอยู่ในสมาธิเพียบได้ไหมเนีย่ยทิ้งไนหะ้อีกทีโดยเฉพาะครับท้าหนุ่มๆ น, นะครับดูกกไกลได้มากไหมข่มรักะไม่อย่างนั้นหลักะรนแรงขึ้นมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไหวขอโอกาสทางอาจารย์พรหมพุมโชว น, นะครับ เอผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเอเีอ็ม ต, ตัวมาหลายวันแล้วนะครับที่จะมาพบกับครูบอาจารย์ที่โพลุสนะฮะขนาดเตรมตัวพบครูาอาจารย์นะเตรียมตัวชคดวยก็คือทีออ่ของผมลนะหลงหลงงานนะครับก็คือเออมีความตื่นเป็นช่วงๆนะครับที่ผมนล่าฟังดูยึดมืช่วงที่ตื่นที่สุดนะฮะก็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 ผมพยายามที่จะทําทดีนะฮะเขาเรียกว่า ท, ทํา ด, าดนะีให้ลูกทำถูกให้หลานขออออาจารย์ช่วยชี้แนวทางให้ด้วยครับก็ที่ว่ามันทำดีนะทําดีอะไรนะให้ลูกทําถูกให้หลานทํำวิปัสสนาให้ประเองนะ <c oughs> อย่าลืมนะหดมดแต่เน <c oughs> ี้ยงลูกเลี้ยงหลานพยายามรู้สึกตัวนะอย่ายวรู้สึกตัวไปบ่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วอย่าตอนนี้จิตริ่งมาที่อัตามาตัวออไหม ดูครันะเนี่ยคอยรู้ทันนึ่งจิตมันจะหนีไปตลอดเวลาหนีไปดูนีไปฟังนีไปคิดเราคอรู้ทันหน่ที่ที่ราอห้เนี่ยเขาเรียกว่าปิติชราชัยแต่ถ้าปิติเลยคลัล่งลัาจิตแต่รู้ทันแลาวปิติคลั่งลังจิตถ้านะรู้ทันนั้นปิติจะแยกไปอยู่ต่างจิตอยูต่างและปิตไม่ถูกปิติคลั่สังเกตไหขนาดนี้ปิติก็โน่นละก็คือเนี่นยใช้เกให้จิตขนาดนี้มีความสุขมากขึ้น ด อ, อกไหมมันสงบมากขึ้นแต่ที่รู้ลงไปรู้ความเปลี่แปลของจิตนั้ น, เ, น, ลลป เ, น, นเป็นขนาดขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบเป็นคิเย้อนชาติไหมเนี่ยรูปป้ทาอย่างนี้นะันรู้ทำไปเรืยไม่ยากหรอกเนะสียดายเพราแบบนั้นต้องเรานะลงกูดสิ้นแนละสิ้นนะแต่ถ้าทัดอยู่นะโอ้เป็นที่พึ่งที่วิเศษเนละเวลาภาวนาติดขัดนะขึ้นไปกล่าวไม่ท่านจะถามเลยท่านจูบแล้วผนมะเกินที่เชียเดาวครับนะก็เบลกันได้รับแชรหอื่นกันแต่ละนะ ทำไมไม่หาภาวนาก็จะหาวนาครับนะภาวนานะถ้าเราเองถ้าเจ้าอยู่เราอยาภาวนาท่านภาวนเก่งด้วยังนัเราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่พิเศษที่สุดเขากันได้อีกหนึ่งท่านขอบคุณเจ้าท่านที่นะครับแล้วก็กลับพิธกรรมของพ่อนะครับเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกลับหลงพ่อที่ชนบุรีนะครับหลวพ่อบอกว่าชอบ ชอบคิดจิตไหลแล้วแล้วก็ติดนิ่นะครับก <c oughs> ็กลับมาปฏิบัติได้หนึ่งเดือนรู้สึกมันมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉยเฉยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะทราบจากหลวงพ่าครับว่าก้าวน้าที่ถูกต้องเนะี่ยอยากทํามหพ่ตอนนี้จิตตื่นหรือยังนะครับมันอูตื่นเต้นหรตื่นเต้นครับ ี่ยอย่าเปกังวลเราเื่องจิตตื่นไม่ตื่นนะเวลาที่จิตตื่นจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขนาดขนาดแปบเดียวเดี๋ยวไม่ก็หลงใหม่ะนะเพราะนั้นมาหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นให้ขี่ขึ้นขี่ขึ้นนะที่ฝึกมามันก็ดีหรอกแต่ต้องฝึกอีกนะอย่าขีเ้นนะ<ะ>เกียจนะสังเกตไหมบอกหลงพอได้ไมหมจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้รอฟังพ่อจิตกระแรงมีอะไรอีกนอกจากราฟัง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 หายใจออกเห็นร่างกายมันหใจออกไม่ใช่เราหายใจออกใครดูไปเรื่อยยาขอหมพ่อช่วยนำสภาวะไปอจนจนถูกเ น, นี่ผหลวงพ่อบอกว่าถูกยัง้ไหมครับเนี่ยตอนนี้ธมอยากมันเกิดเราเห็นนะ้วยนะอยา่าไปเจอยากพูดนะเแต่ไปสังเกตแล้วทราบไหมโรงจิตไปเที่ยวดูมาแนละ้วให้รู้ทางนะเ๋ย่ไปบังคับมันเอาคนอย่าไปตนใไปฟังซีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาทนะี่สีห่ห้าไว้ มีสิ่ห้าให้ก่อนนะดีที่สุดหลัจากนั้นให้ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นการใช้กระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยเฉยให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันต่นนี้แอบไปคิดอยู่แล้วทราบไหมยืมไปเพ่งนะยืมเพ่งไปปล่อยใช้อแาบไปเพ่งแค่นี้ยงไงต้องปักตรงไหนของนะขาดสมาธิไปไหนนะ เั้นทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทในรูปแบบบ้านนะพุทโธไปสวดมนต์ใจอะไรเงี้ยแล้วก็คอรทนจิตที่ไหลที่คิดกันอแยะตอนที่ไหลอย่แลาไหมับแต่เยดี้เยรู้ทอย่างี้แหละเราัดไปนะพุทโธพุทโธหรือไม่ชอบพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราเบื่อพุทโธทโมสอนพุทโธก็ได้ชอบอย่างอื่นเอาคำอื่ก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันเวลาจิตจะไหลรู้ทันทานนะจิตจะตด่นขึ้นมา อย่างตอนนี้จิตในฝัส้สากไหดไปคิดเหจิตทีตอออ่อึดอัดมครับโอ้ืึอเพราะอะไรอยากเรา่าเราเป็นโมชไมอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเองการคมเป็นการกระทำความอึดอดเป็นผลมีกิเลสคืออยากมีการกระทำกรรมคือโคมมีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสมีกรมกรมมีวิบากให้หมุนอยู่อย่างนี้ใหความรู้เรื่อยๆไปไ น, นะ อ่ะวันนี้เท่านี้แหละต่อไปหนะไหนๆก็รับสินไปแล้วนะฟังธรรมไปแล้ต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมนะเคยทําประมาอะไรก็ทําเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจไปดูท้องของยุบก็ทํำแต่ระาวาังอันหนึ่งอยให้จิตถลางลงไปอยให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุโทโธก็บังคับจิตให้นิ่งไปรู้ลมหายใจก็ให้จิตเป็นนิ่งอยู่ก็บลม ไปดูท้องจิตทข้าเกาะนิ่งอยู่ในท้องเรากราบทีหนึ่งดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานทําตัวเป็นคนดูนะต่อไป น, นี้ประมาณสองสามนาทีก็พอทำมากเดี๋ยวกะรู้ให้ให้ทำหน้าที่เป็นแค่คนดูดูกายทางานดูจิตทํางานแล้วเดี๋ยวเราภาวนาแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมา น, นะแม้แต่แวบเดียวนะเราจะได้บุญที่มหาศาลยี่งกว่าสร้างปาฏิจนะเราก็ชั่ว ทั้งประดิกหูงูลและปลิ้นแป๊บเดียวตอนนั้นถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอันมห า, าศาลกับตัวเราเองนะแล้วหลังจากนั้นเราจะช่วยกันน้อมจิตน้อมใจน้อมไหวพระราชกุศลนะอธิษฐานจิตให้ทัานได้นะอธิษฐานจิตให้ในหลวงของเราได้นะนเชิญนั่งดูไปดูใจมาทำงานจิตจิตเราสงบเราสมควรนะนะ อย่าให้จิต่อนออกมานะนึกถึงพระเจ้าอยู่หวงเรนะานะอธิษฐานให้ท่านมีพลา ง, า ง, างากายแข็งแรงนะมีอายุยืนยาวมีความสุข